พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12มิถุนายน2557มีชื่อเรื่องว่าตาบอดอวดดีวันในพระ ในวัดของเราทั้งหมดมีอยู่สาสิบดรูปสมณีหนึ่งรูปพระลงมาฉันสาสิบสามรูปงดฉันห้ารูปไม่ได้ลงมาฉันพร้อมกันวันนี้เป็นวันที่สิบสองมิถุนายนพุทธศักราชสอง7หร้ยห้าสิบเจ็ด วันนี้เป็นวันขึ้นส5บห้าค่ำเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเพนเป็นวันพระใหญ่เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันปฏิบัติธรรมของพุถบบริษัทอุบาสกอุบาสิกาแต่ฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นวันอุโบสถทุกกลึงเดือนแต่นับแต่วันนี้ไปหนึ่งเดือนก็เป็นวันเข้าพรรษาเดือน8ดเพน พราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่พระสงฆ์หรือว่าพระในวัดของเราก็จะต้องได้รับนาคผู้ที่จะเข้ามาบวชในพรรษาหรือว่ารับทายาทน้องใหม่ที่จะบวชในพรรษาแล้วก็ปฏิบัติธรรมในพรรษาปีนี้ก็คงจะมีหลายองค์เหมือนทุกปีที่ผ่านมาทุกปีที่ผ่านมาก็มีการบวชก่อนเข้าพรรษา มาอยู่เป็นนาคมาอยู่เป็นนาค ก, ก่อนเข้าพรรษา15วันแล้วก็มาฝึกซ้อมนาคเจวันแล้วก็เมื่อพร้อมแล้วบริขารพร้อมแล้วอีก7วันเข้พาพรรษาก็บวชเป็นพระเมื่อบวชเป็นพระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ปรับปรุงกายวาจาใจการเป็นอยู่สุขภาพ ร, ร่างกายอย่างนั้นก็จะได้ท่อง คำเข้าพรรษาและก็คำแสดงอาบัติให้พร้อมอันนี้ก็คือเราให้เตรียมพร้อมก่อนเข้าพรรษาแต่สําหรับศรัทธาญาติโยมด้วยพระสงฆ์ด้วยไม่ใช่าแต่เฉพาะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก่อนที่จะเข้าพรรษาปี2557เนี่ยพวกเราพร้อมหรือยัง คำนี้นะคือเตรียมพร้อมหล้อยังได้วางแผนแล้วยังว่าในพรรษาห้บนี้เราจะทำอะไรบ้างที่จะเป็นสารประโยชน์สำหรับตนเองไม่ใช่ว่าปีไหนกับปีเก่าผ่านไปผ่านไปโดยที่ตัวเองไม่ได้นึกย้อนหลังแล้วก็ไม่ได้นึกวางแผนในอนาคตอนาคตก็ไม่มีแผนไม่มีจุดหมายปลายทาง อดีตที่ผ่านมากันเลื่อนลอยเต็มทนเพราะนั้นปี2557นเี่เราควรจะหาพวงมาลัยมาคล้องใจของตัวเองให้ลางวันชีวิตกับตนเองบ้างดีไหมสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายวางแผนการประกอบคุณงามความดีเราอย่าไปวางแผนแต่ความชั่วทุกวันนี้ โดยมากคนจะทำความชั่วเขาต้องวางแผนวางแผนจะก่อนเดินแล้วเดินอีกดูแล้วดูอีกดูลาดเราวางแผนจะทำความชั่วหลายชั้นหลายขั้นตอนก่อนที่จะลงมือทำความชั่วการทำความชั่วของเขาเขาก็มีขั้นตอนมีการวางแผนเพราะนั้นพวกเราจะวางแผนฆ่ากิเลสในกิจใจของเราเนี่ย ในพรรษา57ปี57เนี่ยเราควรจะวางแผนอย่างไรสําหรับชีวิตของเราเราจะประกอบคุณงามความดีอย่างไรเราจะรักษาศีลเราจะให้ทานอย่างไรเราจะรักษาศีลอย่างไรเราจะภาวนาปฏิบัติทำจิตใจของเราอย่างไรอันนี้เราก็ต้องวางแผนเหมือนกันนะถ้าไม่วางแผนน่ยลบเหลว เพราะว่าเราไม่ได้คิดถึงอดีตแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตด้วยอยู่เป็นวันวันอยู่เป็นวันวันเป็นเดือนเดือนปีปีไปเพ้อเพอยังคิดว่าตัวเองจะไม่ตายลุ่มหลงมัวเมาในชีวิตของตัวเอ ง, เ อ, งอีกเพราะมันหลงโลกโกรธหลงมันหลงหลงในชีวิตของเราว่าเราจะอยู่อย่างนี้เป็นอนันตกาลแต่ไม่ใช่นะ เราบอกไว้เลยว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งเราต้องถึงจุดจบของชีวิตในเมื่อถึงจุดจบของชีวิตนั้นในหลักธรรมคาสอนท่านบอกว่าไม่สูญนะตายแล้วไม่สูญนะเกิดอีกนะสิ่งที่จะพาให้เกิดนั้นมีตัวหนึ่งนะในตัวของเราเนะี่ยแต่ร่างกายของเราเนะี่ย ตายและสู์แน่นอนไปเผาไฟทิ้งแน่นอนแต่ว่านามธรรมตัวรู้รู้ตัวนักคิดตัวนั้นไม่ตายจะต้องไปเกิดอีกก่อนที่จะไปเกิดอีกนั้นต้องมีสิ่งที่พาไปเกิดพาไปเกิดนั่นคืออะไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าด้านบวกรรมกรรมคือการกระทา ถ้าเราทำกรรมดีเราก็ไปเกิดในที่ดีถ้าเราทำกรรมชั่วเราก็จะไปเกิดในที่ชั่วพาไปเกิดในที่ตกต่ำตกต่ำนักถึงขั้นไหนถ้าเราไปทำความชั่วเสียหายมากกรรมชั่วก็พาไปตกนรกก่อนอย่างท่านเทวทัตวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าพอตายจากในชาตินี้ท่านก็ลงสู่อเวจีมานรก เพราะไรเพราะคิดทำความชั่วคนทำความดีะกรรมดีละ่ะกรรมดีนั้ไปสู่สวรรค์ไปสู่นิพพานเพราะอะไรเพราะทำกรรมดีนี่แหละตัวที่พาไปนรกหรือสวรรค์นิพพานนั่นตัวไหนท่านบอกว่าใจใจคือนมามธรรมตัวรู้ๆนะตัวนั้นน่ะพาไปเพวัะ น, นั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านศึกษา ถ้าไม่ศึกษาละมันจะไม่รู้ไม่ว่าวิชาแขนงไหนละ่ะใครรู้ไหมสยามผู้รู้ไปหมดทุกอย่างแพทย์ข้าก็รู้หมอตาข้าก็รู้หมอหูข้าก็รู้หมอกระดูกหมอฟันข่ารู้หมดใช่รู้อยู่แต่ปฏิบัติละ่ะทำเป็นไหมเครื่องมือที่เขาเอามาใช้ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้รู้นี้ก็เหมือนกันน่ะ หลักรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเป็นสยามภูรู้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ในพูดให้ฟังนี่ก็เป็นแนวทางท่านเองเป็นเครื่องชี้นำชี้แนะให้ฟังแต่บางคนพวกเราท่านทั้งหลายในใจของเราปฏิเสธปฏิเสธไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่มีอะไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเหมือนกับเราเชื่อว่าตรงนี้ไม่มีงูจงอางอย่างนั้นนะ เขาบอกว่ามีงูจงอางนะตรงนี้มันฟักไข่อยู่นั่นนะอย่าไปเข้าไปใกล้ไหนไม่มีหรอกนะเดินเข้าไปเหมือนตาบอดเดินเข้าไปพอเข้าไปงูจงอางมันชกซะหนคนที่บอกก็ช่วยไม่ได้พอบอกแล้วนี่นี่ก็เหมือนกันนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกับคนตาดีท่านมองเห็นอดีตอนาคตปัจจุบันอันไหนที่จะพาให้ ตกต่ำอันไหนจะพาให้เจริญรุ่งเรืองอันไหนพาให้ประสบความสุขความเจริญในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้หมดแต่พวกเราเนี่ยตาบอดอวดดีตาบอดอวดฉลาดอวดดีอีกต่างหากอิทธิมานะอีกต่างหากไม่ยอมฟังใครตาบอดอวดดีเขาบอกอย่างหนึ่งตัวเองไม่เอาโดยมากตาบอดชอบเป็นอย่างนั้นนะ พวกเราเนี่ตาบอดสาตาบอดปัญญาไม่ใช่ตาบอดแท่นะตาบอดปัญญาปัญญาเราบอดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอริยะแปลว่าผู้ประเสริฐท่านรู้เห็นมาแล้วสิ่งที่มันจะหายนะสิ่งที่มันจะตกต่ําแต่พวกเรานี่ไม่เชื่อไม่เชื่อกลช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่เฉพาะคนที่เชื่อ เอาปาปฏิบัติอย่างที่เราตถาคตบอกกล่าวจากนั้นพวกท่านเหล่านั้นก็พ้นทุกในวัฏสงสารแต่พวกที่ยังไม่เชื่อเอ า, เอาไว้ก่อนให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปปรสีอริยเมตไตรจะมาตรัสและคอยฟังท่านเมื่อไม่ฟังท่านอีกเอาลุกไปอีกพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอีกนี่แหละ แต่พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่จะมาตรัสนั้นไม่ใช่มาตัดวันพรุ่งนี้มาเรือนี้หลายร้อยห ล, ลายพันหลายหมื่นหลายแสนปีจังมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกครั้งหนึ่งเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาเกิดได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้พวกเราศึกษาให้ฟังไว้ก่อนอย่าเพิกปฏิเสธ ถ้าปฏิเสธแปลว่าเราปิดหนูปิดตาตนเองถ้าเราเชื่อที่เดียวอย่างหลวงพ่อนะพูดให้ฟังเราก็เชื่อหัวปักหัวปั๊มไปเลยอันนั้นก็จัดว่าเป็นโง่อีกแบบหนึ่งอีกเหมือนกันศรัทธาคือความเชื่อต้องมีเหตุผลถ้าหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่เอาไปกันตรองไตรตรองเถ ท, ท่านเอาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวให้พวกเรา ไปกันกลองดูไต่ตรองดูด้วยปัญญาของเราปัญญาที่ชานฉลาดอย่างที่ว่าไอ่ความโง่ไม่ต้องเอามาคิดปัญญาที่ชานฉลาดที่มีอยู่ในใจของเราทั้งหมดเอามาคิดดูซิกันกลองไต่ตรองด้วยเหตุผลดูซิมันจริงไหมยอย่างที่หลวงพ่อพูดเบืองตน้นว่าก่อนที่พวกเราจะทำความชั่วคนทำความชั่วเขายายามวางแผนที่จะทาความชั่ว พวกเราคงได้ยินเออชายก่อนเขาคิดจะฆ่าคนก่อนเขาที่จะทําอะไรเขาวางแผนกันเป็นหลายชั้นเออชายแต่ว่าการที่ประกอบคุณงามความดีการวางแผนที่จะประกอบคุณงามความดีเออใช่าบางคนบางท่านแต่สําหรับเราสําหรับเราเราได้วางแผนไหมที่จะประกอบคุณงามความดีในพรรษาที่จะถึงนี้นอันนี้พวกเราก็ต้องได้ใช้ความคิดใช้สติใช้ปัญญา เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังจริงไหมได้ใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองโดยเส้นี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนเราเกิดมานะวิญญาณรัวใจที่เกิดมานะอะไรพามาเกิดกิเลสกิเลสโลภโกรธหลงพอเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทุก สาเหตุแห่งทุกข์นั่นคืออะไรมันทํำไมจึงทุกข์พระพุทธเจ้าท่านว่ามันมาเกิดจากสมุ ท, ทยัยสมุทัยคือเหตุให้ทุกข์เกิดมีอยู่สาม k a r m ตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุให้ทุกข์เกิด karma ตัณหาคืออะไรเพราะเป็นบาลีใช่ไหมก็ ค, คือความอยาก ภาวะตันหาคือความทะเยอทะยานวิตภาวะตัญหาคือความไม่อยากอ้าวทำไมคำพูดว่าอยากแล้วทำไมไม่อยากอยากก็ไม่อยากคำว่าอยากคำนี้ก็คืออยากร่าอยากกลัวอยากสวยอยากงามอยากมีหน้ามีตาแต่ถ้าเจอทะยานในความอยากของตนเองเออวิ่งเต้นค้นควายเป็นทุกข์ไหมได้บ้างไม่ได้บ้างเป็นทุกข์ใช่อันนี้ก็คือ สิ่งที่ให้เป็นทุกจิตใจของเราตะเกียตกตะกายอย่างพวกเราแ ส, ส ว, สวแหงหาหลาบยศสรรเสริญสุขหาเงินหาทองอย่างนี่ยเรื่องคู่รักคู่ชอบอย่นี้เรื่องกามัตัญหาเนี่ยมันทุกไหม้ทุกนะได้ยางใจไม่ได้อย่างใจได้อย่างใจก็ทุกอย่างหนึ่งไม่ได้อย่างใจก็ทุกอย่างหนึ่งความทะยทยานก็ทุกอย่างหนึ่งและความไม่อยากล่ะวิภวตัญหาที่ความไม่อยากมันทุกที่ตรงไหน ความไม่อยากนี่ก็ทุกข์อีกตรงว่าไม่อยากจนะไม่อยากตายไม่อยากจิบหายไม่อยากถูกเขานินทาเขาว่าไม่คเนี่ยคือความไม่ก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกัน่ะเออยิ่งทุกขกว่าความอยากสังหาไม่อยากตายไม่อยากจนไม่อยากถูกเขานินทาไม่อยากจะให้เขานินทาไม่คเนี้วิภวตัณหาคือไม่อยากเป็นยจากนั้น สมุทัยนี่คือเหตุให้ทุกเกิดเนยมรรคเราจะแก้อย่างไรทีนี้ในเมื่อมันทุกข์อะไรอย่างนั้นเราจะใช้วิธียังไงแก้แก้ไม่ให้มันทุกข์ก็คือมรรคมรรคพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอะไรทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นทุกข์เห็นแล้วกามตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดเนี่ยเห็นแล้วเห็นชัดแล้ว มันทุกเกิดมันมาจากเรื่องราวตรงนี้แต่นี่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาไปศึกษาอยู่หกปีอยู่ที่แม่น้ําอนมานทีเพรแขวงกรุงาราชคทอสมัยนั้นอย่างพุทธกยาอย่างพวกเราได้ไปกราบไปไหว้สถานที่พระพุทธเจ้าตัดรู้ในวันนั้นะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาถึงหกปีจนถึงวันเดือนหกเพนเนี่ย พระพุทธองค์จึงได้สูตรสาเร็จรู้แจ้งเห็นจริงท่านบอกสาเหตุมันเกิดมันเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้วิธีแก้แก้อย่างไรท่านบอกสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นขั้นสุดท้ายหรือว่าปริโยสารอันสุดท้ายแต่ภาษาบาลีนี่ท่านจะนับ ปลายมหาต้นนะแปดตัวมักแปดท่านก็จะนับจากแปดมาหาหนึ่งนนับแปดมาหาหนึ่งครานับย้อนหลังแต่เป็นภาษาไทยของเรานับหนึ่งไปหาแปดแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่านะมักแปดต้องสมาธิเป็นเบื้องต้นซะก่อนในเมื่อมีสมาธิจิตใจของเราเน่้ยของพอสมควรแล้วก็สมาธิทิก็จะขึ้นมา แต่ตามไม่จริงมันก็ทั้งสองอย่างเหมือนกันเหมือนกับไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันมันไม่มีใครที่จะแยกออกได้ ส, สมาธิิถ้าเห็นเป็นสมาธิทจะก่อนจึงทำสมาธินะจึงเป็นสมาธิได้ไม่เห็นดีแล้วถ้าบ้าบ้า บ, า บ, างบองบองแล้วจิตใจมันรวนเลอะจะจะเป็นสมาธิได้ยังไงถ้าหากว่าจิตใจไม่เป็นสมาธิจิตใจไม่นิ่งสัก่อนแล้วจะเป็นสมาธิได้อย่างไร มันก็แยกออกยากเหมือนกันในจุดนี้สรุปแล้วก็คือไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันนี่แหละเป็นปัญหาโลกแต่กันที่ตามให้จริงพระพุทธองค์ท่านบอกสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอิชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาเทอันนี้คือมรรคแปที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าสรุปแล้วก็คือในมรรคแปดพูดรวมลงได คือสินสมาธิปัญญาต้องใช้สินเป็นเบื้องต้นทำไมจึงสินด้วยคือคนเราเนี่ยถ้ามาอยู่ในกฎระเบียบสำมามเลัยเทเมากินเหล้าเมายาผิดกฎหมายบ้านเมืองไปเรื่อยผิดกฎกติ ก, กาผิดจริยธรรมแล้วจะมานั่งสมาธิพวกเราคิดดูสิภาวะภาวุล ก, กระเสือกระสนบุ่นวายคนไม่มีสินในเมื่อคนมีสินดีแล้วสมาธิก็ตามมา เพราะอะไรเพราะกายวาจาของเราเรียบร้อยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งอยู่เนี่ยไม่มีโทษจิตใจไม่เคยทําโทษมา ก, ก่อนอถ้าพวกเราไปตีหัวเขาเข้าอไปขโมยเขาเข้ า, ขาแล้วมานนั่งฟังเทศหลวงพ่อเนี่ยพวกเราก็คงจะวิตกกังวลไม่ใช่น้อยเหมือนกันเอ๊ะถ้าตำรวจมานี่เราจะโดดไปทางไหนวะเอเราจะวิ่งไปทางไหนวะทางปลอดภัยของเราวะ นี่ใค ร, คร้าวภาวนาท่านไม่มีศีลศีลไม่มีไม่สำรวมกายวาจามาก่อนเราจะมาอยู่อย่างนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้เห็นพิทกกังวลเพราะนั้นท่านจึงว่าศีลซะก่อนศีลสมาธิเมื่อมีศีลแล้วก็ทำจิตใจให้สงบในเมื่อจิตใจสงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาเดินปัญญาเลยในชะ่ไหมเดินปัญญาพิจรารณา เรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาพิจารณาการกลองตรตรองเหตุและผลความเป็นมาเป็นไปอย่างไรจิตใจของเรามันลุ่มหลงอะไรมันติดอะไรมันหลงอะไรในใจของเรามันหลงอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหลงกายในหลักธรรมนะเพราะว่นั้นเวลาพระบวชใหม่พระจะเข้ามาบวชใหม่ พอผพ้ามาอุปชาจ้สอนเลยนะเกซาโลมานขฆาทันตาตาโจแค่ว่าสอนเลยให้เจ้าพิจารณากายนะอย่าไปหลงกายนะกายเนี่ยไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวัดหนึ่งนะต้องเผาไฟทิ้งนะเจ้าอย่าหลงนะเพราะนั้นถ้าพวกเราไม่หลงกายไม่หลงกายตัวเองก็ไม่หลงกายคนอื่นแล้วก็ไม่หลงทรัพย์สมบัติยศถาบัรดาศักดิ์ สิ่งของทางหลายทางปวงไม่หลงเพราะอะไรขนาดกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเรา น, ะนี่แหละได้หลักธรรมคาสอนของพระพระทุทธเจ้าท่านให้ศึกษาสรุปแล้วก็คือให้ศึกษาให้เรียนรู้อันนี้หลวงพ่อเปลี่ยนแต่เป็นผูนชน้ชี้นำชี้แนะบอกกล่าวเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่พวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรอันนั้นกับสุดแท้แต่ปัญญาของพวกเราท่านทั้งหลาย หลวงพ่อเป็นผู้นําฝึกผู้บอกกล่าวเท่านั้นเองถ้าหากว่าพวกเรายังไม่เชื่อในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะ เ, เราก็เอาไปเกิดในศาสนาพศริริยะต่อไปในเจอพศริริยะไม่เชื่ออีกเอาองค์ต่อไปเหมือนกับเราเข้าโรงเรียนนะพอเข้าโรงเรียนคราวนี้เราไม่เชื่อครูพอไม่เชื่อครูแล้วก็เอาขี้เกียจเรียนหนังสือ ทะเลทลายถูใหม่มาอีกมาสอนอีกออมาสอนเน่ยถ้าเราอู้เราเห็นโทษอะอืมใช่เราทะเลทลายเนี่ยเราก็ไปเกิดประโยชน์อะไรเราก็มีแต่งงโง่เท่านั้นเราก็ควรจะศึกษาถ้าเรามาศึกษาในครูต่อไปเราก็เป็นผู้ฉลาดถ้าครูคนที่สองมาสอนอีกไม่เชื่อหัวบละครูอ่าทะเลทลายไปอีก เราก็จะเฉลียวฉลาดได้ยังไงเต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะติดภพติดชาติไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเราจะเห็นโทษในกิเลสราคะโทสะโมหะเราจึงจะตั้งใจศึกษาพอศึกษาแล้วเราก็จะรู้แจง้งเห็นจริงในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ก็ยอดมากถึงในพรรษาที่จะถึงเนี่ย ปี 2,557 เนี่ยเราจะวางแผนยังไงในชีวิตของเราเราจะให้ทานยังไงเราจะใส่บาททุกวันใช่ไหมในพรรษานี่เราจะให้ทานยังไงเราจะรักษาศีลอย่างไงจะรักษาศีนห้าตลอดไตรามารส3ามเดือนจะไงเราจะต้องรักษาศีนห้าให้ได้เอาวางแผนที่เกี่ยวข้องกับเราบอกกล่าวผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเออพ่อแม่จะรักษาศีนห้าในพรรษานี้ อย่าให้พ่อแม่ไปยุ่งเกีย่ยวกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเรื่องต่างๆนะพ่อแม่จะอยู่ในความสงบอันนี้ก็คือการวางแผนบอกกล่าวให้ลูกๆห ล, ลานๆได้รับผูรับทราบแล้วก็ตัวเองเองในพรรษาในี่ข้าพรเจ้าจะนั่งภาวนาวันละหนึ่งชั่วโมงไม่ให้ขาดถยังไงให้ได้วันละหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือวันละสามชั่วโมงวันละสองชั่วโมงก็ว่ากันไปด้วยความมุ่งมัน่นด้วยความตั้งใจ สรุปแล้วก็คือประกอบคุณงามความดีนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้อันหนึ่งก็ได้อันหนึ่งอย่างน้อยก็งดการพนันเด็ดขาดในจิตในใจงดโบรี่เด็ดขาดงดเหล้าเด็ดขาดใพนพรรษาในเตี๋ยวเพราะไหมก่อนที่จะถึงวันนั้นไม่ใช่วันเดียวก็ปุกปรับงดบุหรีเลยเราก็ต้องผ่อนผรบอ น, บอนไปถึงวันนั้นเข้าฝันเข้าพรรษาเราก็งดสรุปแล้วก็คือเราวางแผนวางแผนประกอบคุณงามความดีของเรา จากนั้นคุณงามความดีของเราก็จะเจริญในตัวของเราเองเราก็จะภาคภูมิใจในตัวของเราว่าข้าเพาเจ้าได้ฝ่าฟันอุปสรรคกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงในจิตในใจมาถึงจุดนี้ข้าเพาเจ้าพอใจได้ขนาดนี้ก็นับว่าเป็นกําไรชีวิตตั้งละพวกเราจะภูมิใจนะแต่วันไหนก็วันเก่าวันเก่าก็า ว, กาวันไหน